เรื่องที่หลวงพอ่อจรันท่านเล่าให้ญาติโยมแล้วก็ญาติธรรมของท่านฟังก็เป็นเรื่องของผีตายทั้งกลมแต่ว่าเหตุการณ์เป็นคนละแบบแล้วก็คนละสถานที่ทว่าอาชีพของคนตายทั้งสองเหมือนกันก็คืออาชีพชาวนาค่ะคนสมัยก่อนเวลามีา จ, จะคลอดลูกก็อาศัยหมอตำแยประจําหมู่บ้านช่วยทําคลอดไห้ก็เป็นวิธีการทําคลอดที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบราณ น, นะคะหมอตำแยจะมีบทบาทมากในยุคนั้น เหตุการณ์และก็เรื่องราวอันน่าสะเทือนใจและก็เขย่าวขวัญสันประสาทนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหาทุมแล้วบ้านหลังนั้นยังไม่ดับไฟตะเกียงซึ่งได้จุดสว่างสวัยไว้หลายดวงแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนในบ้านหลังนี้แน่นอนค่ะประกอบกับมีเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดออกมาจากบ้านหลังนั้น คนที่ได้ยินเสียงร้องกรวนครางย่อมเดาออกได้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงท้องแก่กำลังคลอดลูกโดยมีหมอตำแยประจำหมู่บ้านเป็นคนคอยทำคลอดอย่างใกล้ชิดนะคะ สองคืนแล้วเสียงร้องก็ยังลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านต่างก็คุยกันค่ะว่าท้องแรกมันก็คลอดยากอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่น่าจะข้ามวันข้ามคืนเช่นนี้หมอตำแยที่ทำคลอดเองเนี่ยก็ช่วยเต็มที่นะคะแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ไม่ว่าจะคัดท้องประคองคันอย่างไรเด็กก็ไม่ยอมออกผู้เป็นแม่ร้องแทบจะหมดแรงเสียงแผ่วแล้วก็ช้าลงทุกทีนะคะ จนในที่สุดหมอตําแยก็ยอมรับค่ะว่าช่วยไม่ได้แล้วหมดปัญญาแล้วพร้อมกับเดินออกจากห้องแล้วก็บอกกับผู้ที่เป็นสามีนะคะที่เดินกระสับกระ่ายมาตลอดคืนบอกว่าสงสารเมียก็สงสารหากแทนกันได้ก็จะยอม พอเจอหน้าหมอตำแยที่เดินออกมาจากห้องคลอดกำลังจะอ้าปากถามแต่ว่าหมอตำแยค่ะก็ได้ชิงพูดก่อนนะคะบอกว่าไอ้ทิตแกพาเมียของแกไปให้หมอที่โรงพยาบาลทำคลอดเถอะนะข้าหมดปัญญาแล้วจริงๆพยายามมาแล้วทั้งคืนมันก็ไม่ยอมออกเพราะว่าเด็กมันขวางไม่ยอมเอาหัวลงเสทีรีบรีบพาไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าช้านะเพราะน้าเดินแล้วถ้าเด็กตัวแห้งจะคลอดลาบาก อีกอย่างเมียของเองเนี่ยก็หมดแรงเบ่งแล้วด้วยผัวหนุ่มที่เพิ่งจะแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกค่ะเมื่อมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าทําอะไรไม่ถูกอีกอย่างหนึง่งเวลานั้นก็ดึกมากแล้วรถก็ไม่มีนะคะหายากสามีของเขาก็เลยถามป้าที่เป็นหมอตำแยค่ะบอกว่าจะให้ผมทําอย่างไรดีหลหรอป้านี่ก็ดึกมากแล้วจะให้ผมไปหารถที่ไหนล่ะครับป้า เขาก็เดินกระสับกระส่ายด้วยความกังวลอย่างหนักโดยพูดเสียงสัน่นเอาอย่างนี้เองพาเมียเองไปถึงถนนแล้วคงหารถได้ไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวเข้ารถราวิ่งกันให้คึกตลอดทั้งคืนมันคงมีสักคันหรอกที่มันใจดีเมตตาให้เราอาศัยไปด้วยถึงอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันพวกมันก็คงไม่แรงน้าใจหรอกเชื่อข้าเถอะว่าป้าหมอตําแยก็ได้บอกกล่าวคนที่เป็นสามีนะคะ ผัวหนุ่มมือใหม่ค่ะรีบลงจากเรือนไปเข็นเรือสำปั้นที่ผูกไว้ใต้ถุนเรื อ, อใต้ถุนเรือนนะคะออกมาเทียบกับบันไดหน้าบ้านโดยที่มีพวกญาติญาติเนี่ยค่ะช่วยกันหามสามท้องแก่ใกล้คลอดลงมาเรือจากนั้นก็พายเรือตัดทุ่งมุ่งไปยังถนนสายหลักที่มองเห็นลิบๆต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําหลากนะคะการเดินทางจากหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือเรียกว่าใช้เรือเนี่ยสะดวกที่สุดแล้วนะคะ เมื่อเรือ ม, มาถึงถนนใหญ่ค่ะพวกญาติพี่น้องที่มาด้วยกันก็ได้ช่วยกันหามหญิงสาวขึ้นมานอนบนพื้นหญา้าตรงไหล่ถนนความเจ็บปวดทําให้เธอร้องครวญครางไม่หยุดพวกญาติไม่รู้จะช่วยยังไงผู้ที่เป็นผัวเนี่ยหรือว่าเป็นสามีเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างถนนคอยโบกรถที่วิ่งผ่านยุค ก, ก่อนนั้นนะคะต้องบอกว่าถนนสายเอเชียยังไม่ได้ปรับปรุงให้ขยายกว้างออกเป็นหลายช่องทางเช่นในปัจจุบันความกว้างของถนนก็พอเพียงสําหรับรถ่ารถ เล่นสวนทางกันไปมาเท่านั้นนะคะแต่ก็จะมีรถวิ่งตลอดทั้งคืนแต่ว่าส่วนมากค่ะก็จะเป็นรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกคันแรกวิ่งผ่านมาเขาก็รีบเอาผ้าโบกไปมาเป็นสัญญาณให้หยุดเพื่อขออาศัยไปด้วยแต่เขาก็เสียใจค่ะเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือจากรถคันนั้นแต่เขาก็ยังมีหวังกับรถที่วิ่งตามมาเห็นไฟข้างหน้าสาดแสงสว่างพุ่งใกล้เข้ามาเขาก็โบกมือพร้อมกับรอยยิ้มแต่แล้วเขาก็ผิดหวังอีกค่ะ ในใจเขาก็เริ่มท้อแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อมองเห็นเมียนอนบิดตัวไปมาตรงผืนหญ้านะคะด้วยความที่เขาสงสารนะคะเขาก็หยิบอภาสขาวขึ้นมาโบกรถบรรทุกคันที่วิ่งผ่านมาทุกคันก็ไร้น้ำใจไม่มีคันไหนที่จอดรับเขาเลยนะคะนานหลายชั่วโมงที่เขาใช้ความพยายามแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจเลยสักคันค่ะ ผู้เป็นเมียทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วก็เวลานั้นเที่ยงคืนพอดีเธอสิ้นใจอยู่บนพื้นหญ้าริมไหล่ถนนทางหลวงค่ะเธอตายไปพร้อมกับลูกน้อยในท้อง เมื่อเห็นเมียสุดที่รักสิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายใครค่ะสองมือของเขาชอนร่างที่ไร้วิญญาณลงจากเรือกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีด้วยความรู้สึกที่ร้าวระบมในหัวใจคิดถึงการโบกรถให้จอดรับเมียไปโรงพยาบาลทีไรเหมือนเอามีดปลายแหลมทิ่มเข้าตรงหัวใจทุกทีค่ะเขาสบัในใจบอกว่าพวกขา่า ใจจืดใจดำกันเสือเกินเหตุการณ์สะเทือนใจที่ลูกสาวชาวนาะท้องแก่เป็นท้องแรกต้องมาตายอยู่ริมไหลถนนทางหลวงเพราะคนไร้น้ำใจไม่ยอมให้ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลกลายเป็นที่เล่าขานของคนในหมู่บ้านพระงามเป็นเวลานานกว่าจะลืมเลือนแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะ เรื่องราวของการเสียชีวิตของสาวท้องแก่ที่มานอนตายข้างถนนจบลงก็จริงค่ะแต่ว่าความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณเธอนนเนี่ยไม่ได้ยุติไปเนื่องจากว่าก่อนที่เธอจะสิ้นใจนะคะเธอมีความแค้นกับพวกขับรถบรรทุกสิบล้อทุกคันที่ไม่ยอมรับเธอไปส่งโรงพยาบาลจิตวิญญาณของเธอจึงไม่ยอมไปไหนก็วนเวียนอยู่ภายในบริเวณนั้นเพื่อจอดรอรับนะคะอ่า เพื่อรอจัดการกับพวกรถบรรทุกทุกคันนะคะที่วิ่งผ่านมาด้วยแรงอาฆาตเป็นไฟเผาลนร้อนรุ่มอยู่ทุกขณะจิตอารมณ์โกรธเกลียดเครีย ด, คยดแค้นจึงครอบงำใจเธอจนหมดสิ้นคิดอย่างเพียงอย่างเดียวนะคะว่าเอาชีวิตมันความอาฆาตแค้นฝังรอยลึกอยู่กับดวงวิญญาณค่ะเฝ้ารออย่างอาฆาตพยาบาทรุนแรง จนกลายเป็นวิญญาณแห่งอสูรร้ายที่มุ่งทำลายชีวิตมนุษย์พูดไร้น้ำใจในทุกรูปแบบเพื่อให้มันวอดวายตายดับสะสมกับความเจ็บปวดที่เธอได้รับบริเวณที่สาวท้องแก่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานนั้นค่ะอยู่ใกล้กันกับทางโคง้งไม่ห่างจากทางแยกเข้าตัวจังหวัดสิงห์บุรีเท่าไรนะัก อาณาบริเวณแห่งนี้จะเกิดอุบัติเหตุรถประสานงากันบ้างแฉลบลงข้างทางพลิกคว่ําพังพินาศย่อยยับบ้างหรือไม่ก็แล่นทับคนตายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะมีคนตายทุกครั้งจะมากหรือน้อยอยู่กับความรุนแรงค่ะและรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมักจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อและก็คนขับหรือโชอเฟอร์จะตายค่ะพวงมาลัยรถทุกครั้งไม่เคยมีใครรอด เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆทางสอพ อ, อ, อสิงห์บุรีนะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาประจําพื้นที่เพื่อดูแลร ถ, รถที่วิ่งไปมาเพื่อเป็นการลดสถิติอุบัติเหตุลงพร้อมกันนั้นนะคะจึงได้สร้างป้อมยามตรงไหลาทางขึ้นป้อมหนึ่งเพื่อเป็นที่พักหลบแดดหลบฝนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวนยามนั่นเองนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ไปเข้าเวนยามที่นั่นค่ะ ก็ต้องเส้นสังเวยชีวิตให้แก่วิญญาณอาฆาตพยาบาทไปหลายศพเหมือนกันจนเป็นที่เขตขยดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่มีใครอยากจะไปประจําตู้ยามที่นั่นแต่เมื่อมีคําสั่งผู้บังคับบัญชาก็ต้องทําตามหน้าที่อย่างไม่ค่อยมีใครเต็มใจนักนะคะในคราวหนึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆนะคะมีตํารวจจราจร2 น, นายมาอํานวยความสะดวกอยู่ที่หน้าป้อมยามค่ะ พันก็มีรถ10บล้อคันหนึ่งมันวิ่งลงมาจากสะพานด้วยความเร็วสูงเพราะว่าถนนว่างในขณะที่ตำรวจ2นายกําลังบริการอย่างเต็มที่แต่ว่าลืมมองรถที่ห่อตะบึงมาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่ามีอะไรมาบังหูบังตาไว้มันพุ่งเข้าชนอย่างเต็มที่ค่ะร่างของตำรวจทั้งสองล้มหัวฟาดพื้นแล้วรถ10ล้ อ, อยังเหยียบซ้ําร่างแหลกเละตายคาที่ คนขับสิ์ล้อกว่าจะรู้ว่าชนตำรวจก็สายไปซะแล้วแต่ก็ได้เหยียบเบรกให้รถหยุดด้วยความตกใจและกลัวความผิดนั่งตัวสั่นอยู่กับที่แล้วเขาก็โดนจับมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถชนเจน้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานโดยประมาททำให้ถึงแก่ความตายนะคะคำสารภาพของ คนขับรถสิบล้อค่ะเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นตำรวจ2คนนั้นถนนโล่งตลอดจึงได้แล่นรถมาตามปกติแต่ว่าพอรถได้พุ่งเข้าชนตำรวจ2นายนั้นแล้วถึงได้รู้ว่ารถพุ่งแฉลบเข้ามาวิ่งอยู่ไหลไหลทางจึงได้เหยียบเบรกให้รถหยุด วิญญาณของหญิงท้องแก่เริ่มมีบทบาทออกอาวาสนะคะตามแรงแค้นเล่นงานรถบรรทุกติดต่อกันมาหลายครั้งแต่ละครั้งโชเฟอร์ต้องสังเวยด้วยชีวิตแม้แต่ผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนั่นก็คือตายค่ะ ตรงโค้งดังกล่าวนี้มีคนเล่าลือกันนะคะว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีคนที่เห็นผู้หญิงท้องแก่แต่งตัวแบบชาวนาทั่วไปเดินวนเวียนอยู่ตรงโค้งจุดเกิดอุบัติเหตุเสมอในเวลากลางคืนนะคะเหมือนจะบอกว่าอีกสองวันจะต้องกระชากชีวิตคนเดินทางและคนขับรถบรรทุกไปเมืองผีด้วย การมาปรากฏตัวของสาวท้องแก่กลายเป็นลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าเพราะหลังจากมาปรากฏตัวผ่านไปเพียงสองหรือสมวันก็จะเกิดอุบัติเหตุสยองขึ้นทุกครั้งจนชาวบ้านขนานนามให้โค้งแห่งนี้ว่าโค้งผีสิงแน่นอนว่าคนที่ขับผ่านมาทางนี้ไม่มีใครกล้าขับเร็วเพราะรู้ประวัติอันสยดสยองที่ผ่านมาได้อย่างดีโดยเฉพาะกลางคืนหากไม่จาเป็นไม่มีใครอยากจะผ่านมาทางโค้งนี้ นายดาบสกฤตสายหน้าค่ะเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงพ่อจรันจิตาธรรมโมหรือพระยาพระราชสุธทธ์ทยานะมงคลนะคะซึ่งได้มาทำบุญที่วัดอัมพวันเป็นประจําสม่ําเสมอแต่แล้วในวันหนึ่งดาบสกฤตก็ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อจรันด้วยสีหน้าท่าทางไม่สู้ดีนะักเหมือนคนกําลังมีความทุกข์ความกังวลอยู่ในใจหลวงพ่อจรันท่านเห็นเช่นนั้นจึงได้ถามอย่างคนคุ้นเคยกันว่าวันนี้ดูสีหน้าท่าทางของดาบไม่ค่อยดีเลย มีอะไรไม่สบายใจอย่างนั้นหรือถึงดูซึมๆไปมีอะไรในใจก็บอกหลวงพ่อมาอะไรที่พอจะแนะนำได้ก็จะแนะนำ หลวงพ่อครับคือเจ้านายของกระผมมีคำสั่งให้กระผมไปประจำอยู่ที่ป้อมยามตรงโค้งผีสิงซึ่งใครต่อใครก็รู้ดีว่าที่นั่นมีทั้งตำรวจและคนขับรถบรรทุกเอาชีวิตไปทิ้งไว้นับสิบศพแล้วที่นั่นหากจะพูดถึงแล้วมันมีแต่ผีมีแต่วิญ ญ, ญาณผีตายหงทั้งนั้นกระผมกลัวอุบัติเหตุอย่างเพื่อนตารวจได้สังเวยชีวิตไปแล้วหลายคน ก็นึกว่าเป็นกังวลเรื่องอะไรก็แค่ไปทำหน้าที่ตามปกติไม่เห็นจะเป็นอะไรไปหากเราไปทำไม่ทำงานด้วยความประมาทหรือว่าดาบกลัวผีหลวงพ่อจจรันพูดแล้วก็ยิ้มนะคะแต่ว่าดาบก็ทำปากแข็งค่ะบอกหลวงพ่อครับผีหลอกนะผมไม่กลัวหรอกผมขยาด ต, ตรงป้อมยามนั่นแหละเขาลือกันให้แซดว่าผีตายทั้งกลมมันอารวาสคอยทำร้ายให้คนตายไม่รู้จบ เพื่อนตำรวจสองคนของผมก็ตายที่นั่นผมกลัวว่านั่งอยู่ในป้อมเพลินๆรถบรรทุกมันวิ่งเข้าชนโครมมันเล่นทั้งป้อมเล่นทั้งคนนี่แหละครับอ๋อที่เป็นกังวลใจเพราะเรื่องนี้นี่เองแล้วดาบจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรบ้างละ่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีการแก้ไขทำอย่างไรดีชีวิตของผมและเพื่อนๆตํารวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันจะปลอดภยัยทั้งจากผีและจากรถบรรทุกสิล้อ คุณผู้ฟังคะที่จริงเรื่องโค้งผีสิงที่เอาชีวิตคนไปแล้วนับสิบรายนี้หลวงพ่อจรรท่านรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปได้อย่างดีเลยล่คะค่ะเนื่องจากว่ามีคนเล่าขานกันมาปากต่อปากและเคยมีชาวบ้านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่บ่อยๆท่านก็ได้พิจารณาดูแล้วนะคะว่าเรื่องราวที่เขาเล่าลือกันนั้นเป็นความจริงท่านก็ได้แต่ปรงสังเวชที่ดวงวิ ญ, ญญาณสาวท้องแก่ดวงนั้นเพิ่มกรรมให้กับตัวเองเพราะว่าจิตวิญ ญ, ญาณของเธอเนี่ยผูกติดอยู่กับความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรงเกินไป เมื่อหลวงพ่อจรรั์ท่านรู้แล้วท่านจึงได้แนะนำนะคะให้ในายดาบทำสังฆทานหาหมากพลูใส่กระทงถวายพระไปพร้อมๆกันแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้กับวิญญาณของสาวท้องแก่ที่มาเสียชีวิตบนไหลายทางใกล้ทางโค้งถีสิงโดยเฉพาะณนะบริเวณนั้นโดยตรงที่ให้ถวายหมากพลูก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือชอบกินหมากกินพลูมากนอกจากนี้นะคะ ก็ให้สวมดมนต์อีทีปิโสทุกวันอย่าให้ขาดสวดเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาอย่างเต็มที่บอกกล่าวเขาว่าอย่าได้มารบกวนในการปฏิบัติหน้าที่ดาบสกรีตก็ได้ถือปฏิบัติตามคําแนะนําของหลวงพ่อเจรันทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องประการใดตลอดเวลาที่ดาบไปประจําป้อมยามค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งต่อมานะคะได้มีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เปลี่ยนผัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรค น, คนอื่นมาทําหน้าที่แทน มีตำรวจชั้นประทวนสองคนได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อจรรยแล้วก็ได้เรียนให้หลวงพ่อได้ทราบว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่เวนยามที่ป้อมผีสิงอันลือลั่นสันประสาทอยากจะได้ของดีจากหลวงพ่อติดตัวเพื่อคุ้มคร อ, องป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดขึ้นเพราะว่าได้ทราบมาว่าดาบสกริตได้มาหาหลวงพ่อก่อนไปประจำที่ป้อมยาม หลวงพ่อเจดันก็กล่าวนะคะว่าของดีของท่านน่นก็คือการทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะวิญญาณสาวท้องแก่เท่านั้นแล้วก็ให้สวดอิติปิโสแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ผู้ตายของดีพูดเครื่องรางของขลังหลวงพ่อไม่มีหรอกตํารวจสองนายดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อค่ะแล้วก็นอกจากจะไม่เชื่อว่า ไม่มีของดีแล้วก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าคําแนะนําของหลวงพ่อจะเป็นจริงก็ยังดึงดันจะขอแต่เครื่องรางของขลังป้องกันผีท่าเดียวแสดงว่าตํารวจ2นายนี้กลัวผีมากกว่าอย่างอื่นเมื่อไม่ได้ของดีอย่างที่ขอก็ไม่ค่อยจะพอใจกันเท่าไหร่นั ก, ก น, นะคะก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามค่ะหลังจากทั้งสองไปหาหลวงพ่อไม่นานนะก็ได้ข่าวว่าตํารวจสองนายนี้โดนรถชนเสียชีวิตทั้งคู่ตรงโค้งผีสิงนั่นแหละนะคะ และนี่ก็คือพลังแห่งความแค้นความโกโรธที่เกาะติดยึดแน่นอยู่กับจิตวิญญาณมีแต่จะผลักดันให้จมดิ่งไปสู่ภพภูมิอันมืดมนหนักหน่วงเข้าไปทุกทีจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดในอัตภาพอื่นที่เป็นอสูรร้ายที่เกาะบาปอยู่ร่าไปไม่หยุดหย่อน ไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้วิญญาณของสาวท้องแก่ที่มาตายอย่างทรมานบนเนินหญ้าริมไหลาทางใกล้โค้งเพราะมารอรถเพื่ออาศัยเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองคันแล้วคันเล่าที่ผ่านมาแต่ว่าคนขับรถบรรทุกล้วนแต่ใจจืดใจดำไม่ยอมจอดรับในที่สุดเธอก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวได้ขาดใจตายดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อตายไปแล้วจิตอาฆาตแค้นฝังลึกจนกลายเป็นความพยาบาทค่ะ เอาชีวิตคนขับรถบรรทุกเป็นการแก้แค้นสะสมไปหลายคนเลยทีเดียวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายนายป่านี้เธออาจจะไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมที่ควรแก่กรรมของเธอหรือยังก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าข่าวลือเรื่องผีพีสังสางของสาวท้องแก่ก็ได้เงียบหายไปจนขณะนี้ค่ะก็จะเหลือไว้แค่เพียงร่องรอยของความอาฆาตโหดเหี้ยมของเธอเท่านั้น อีกไม่ช้าก็จะกลายเป็นตำนานสยดสยองที่คนแก่คนเฒ่านำมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันค่ะ